พระธรรมเทศนาแผ่นที่73ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าถอดหัวใจสร้างเจดีถวายหลวงตา วันนี้รู้สึกอุ่นขึ้นมากนะอากาศอุ่นขึ้นหลวงพ่อใช้ผ้าห่มบางขึ้นแต่้าไม่ใช้เฉลยก็ไม่ได้ไมันยังหนาวเย็นอยู่วันนี้เป็นวันที่22มกราคมพุทธศักราช2 5งห้าวันนี้ บ่ายสองโมงจะมีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดอุดรมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเสนิจเจตเกษมแล้วก็ท่านผู้ว่าอำนาจประกาฐที่เป็นอดีตท่านผู้ว่า แล้วก็ท่านสมเกียรติการจนะรองผู้ว่ามีผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองอที่มาร่วมประชุมเกี่ยวกับสร้างสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอันนี้เป็นครั้งที่สองนะประชมุมงวดนี้นะงวดนี้ใครเขาวงวดก่อนนะ ครั้งในวางสิ้นละเลิกไม่ไม่ว่ากันอันนั้นแปลว่าจบไปแล้วแต่ว่างวดตั้งท่าตั้งทางใหม่เนี่ยย้ายที่ใหม่ออกแบบใหม่เริ่มใหม่อันนี้เป็นปีที่สี่นะคณะทายาิโยมลูกหลานวันที่สามสิบมกราแปลว่าครบรอบสี่ปีองค์หลวงตาที่ทา่านที่ท่านได้จากพวกเราไป แต่พวกเราก็หารือกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับทราบคือลูกศิษย์ลูกหาลงตามากมายหลายระดับหลายคนหลายแนวความคิดก็เลยทำให้การลงมัติหรือว่าเอกฉันมันมันลงยาก เพราะฉะนั้นจึงได้ล่าช้ามาถึงสี่ปีแต่ก็พยายามพยายามให้ได้ก่อสร้างแต่ว่าจะสําเร็จหรือไม่อันนั้นมงกออนาคตเป็นเครื่องตัดสินอนาคตเป็นเครื่องตัดสินเราจะตัดสินก่อนไม่ได้เพราะมันหลายคน แต่วันนี้ก็จะเป็นการหารือกันในบรรดาทั้งคารวาัตทั้งฝ่ายปกครองทั้งบ้านเมืองและฝ่ายพระสงฆ์และกษิตญาณุสิทธิทองค์ลุงตาอาจจะต้องหารือกันในที่สรากลางจังหวัดแต่ถึงยังไงงานนี้ก็เป็นทนูลกระหม่อมฝ้าหญิงเป็นประธาน ประธานผู้ออกแบบก็คือพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศ <c oughs> <c oughs> ิลปากร <c oughs> เป็นผู้ออกแบบเจทีของหลวงตาแต่สาหรับผู้ออกแบบท่านเองท่นก็ไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ปีปัญหากับตรงที่นะเอาลงตรงไหนยังไงแต่เรื่องจตุ ป, ปัจจัย ที่การก่อสร้างพี่น้องประชาชนก็ให้ความสำคัญทะลักษ์ไหลเข้ามาเรื่อยๆโดยบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาเพราะองค์หลวงตาทําคุณอุปการให้กับโลกกับประเทศกับประเทศชาติเป็นอนเนกอั น, นันจนไม่สามารถที่จะบรรยายได้ที่หลวงตาทําคุณให้กับแผ่นดินกับโลก เพราะนั้นเราในฐานะสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเองมั่นใจว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยจ ะ, จะว่าเป็นพันล้านหรือมากกว่านั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเหตุไรเพราะน้ำใจของพี่น้องประชาชนที่ถลายออกมาทะลั์ออกมาแต่มีบางคนเท่านั้นเองว่าโอ้พูดอะไรเบอร์เกินไป การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจตรหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ว่าเงินถงเงินถังจะไปทุ่มให้ก็ไม่ใช่เพียงแต่พูดให้คอยดูอย่าไปพูดก่อนการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูนรเราเชื่อมั่นในบุญบา ร, รมีขององค์หลวงตาหลวงตาทําอะไรที่ผ่านผ่านมานท่านว่าจะได้เงิน ผ้าป่า8ปด0มื่นสี่พันกองอกองละเท่าไหร่กองละแปดพันคนทั้งหลายก็โอ้โหจุดเอื้มอมแต่โคงสุดท้ายละ่ะเป็นยังไงเหลื อ, อในคราวนั้นคล้ายๆว่าถ้าไว้ไม่ได้อย่างงั้น เ, เราสอนลูกศิษย์ลูกหามาขนาดนี้แล้ว เราตายเลยเราตายดีกว่าข่าวนะั่ะลุลูกศิษย์ลูกหาวิตกกังวลกันอย่างมากแต่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเฉยเยอยู่นะ เ, เ, เฉยเฉยอยู่หลงพ่อนะอตรงพ่อทำไมหลวงพ่อจึงเฉยเยเพราะหลวงพ่อคิดว่าระดับหลวงตานะ ก่อนที่ท่านจะพูดอะไรเป็นคำสัตย์จริงออกมาท่านมีท่านรู้แล้วว่าเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าท่านไม่รอบรู้ท่านไม่ฉลาดเนี่ยท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราได้อย่างไรจะพูดแบบงงๆเซ่อๆขึ้นมาแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราได้อย่างไรอันนี้ท่านรู้แล้วมองแล้วเห็นแล้วว่าเรื่องเราจะลงเ อ, อ่ยอยังไง ท่านจะได้พูดอย่างนั้นออกมาอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปนั่งอยู่ที่คโคลนต้นโพธท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าถึงเนื้อหนังมังสาของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามเราจะไม่ลุกจากอาสนะตรงนี้โดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าได้ตั้งจัตจะอธิษฐาน แต่ก่อนที่ท่านจะตั้งกิทีิฐานท่านก็มองรู้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรข่าวนี้จะเป็นยังไงถาาว่าพวกเราท่านทั้งหลายตั้งหน่อยสิข้าพเจ้าเนี่ยจะนั่งสมาธิตลอดจะไม่ลุกถ้าไม่ได้บรรลุทธอแบบโง่ๆเซ่เอๆคิดดูสิมันจะไหวไหม ผลที่สุดก็นั่นะหละแพ้กิเลสทางนั่นนะแต่พระพุทธเจ้าท่านตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากเวียงวังก็เหมือนกันออพอนั่งขึ้นหลังม้าท่านก็บอกว่าตายดาบนาเราจะไม่กลับเบียงวังเด็ดขาด อ, อ, อันนี้ก็พอทํานองอยูออ่ต่อตอนที่นั่งที่จะได้สําเร็จตอนนั่นอะ ถึงเนื้อหนังมังสาจะหาเกิดแห้งไปก็าตากเราจะไม่ลุกจากอาสนะตรงนี้เนียอันนี้คือจัดจะอธิษฐานของของพุทธองหลวงตาก็เหมือนกันที่ท่านจะหาทองคาเข้าคลังหลวงบอกว่ า, ากระถินปีนีนะ้จะต้องได้แปดหมื่นสี่พันกองกองละแปดพันบาทเป็นเงินเท่าไหร่กล่าเอามาแล้วถ้าหากว่าไม่ได้อย่างที่เรา บอกออกไปเนี่ยเราตายดีกว่าเราจะไม่อยู่ในโลกนี้ลุกสิทธิ์ลุกหาวิตกกังวลกันขนาดหนักเลยแต่หลวงพ่อเนี่ยพ่อหลวงพ่อฟังด้วล่ะหลวงพ่ อ, พ อ, พอท่านต้องมีต้องมีชันเชิงเล่เหลี่ยมเรือว่าประสบสำเร็จท่านจึงได้บอกบอกออกไปเพราะท่านมองเห็นแล้ว ระดับหลวงตาจะมองไม่เห็นเพื่องแพงเพียงแค่นี้เนี่ยจะพูดออกไปเลยโดยที่ไม่มองเห็นความสำเร็จน่ะนะจะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราได้อย่างไรหลวงพ่อสรุปเลยแล้วนะอนันเนเจดีขององค์หลวงตาคราวนี้ครั้งนี้ก็หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าเรื่องจะตุ ป, ปัจเนี่ย ไม่น่าจะมีปัญหาการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ใครใครจะว่ายังไงใครจะเดินยังไงทักท้วงอย่างไรหลวงพ่อก็ฟังแต่หลวงพ่อวันะประมาณพันกว่าล้านตน้ตนๆนะเจดีย์ของหลวงตา <c oughs> นี่แหละแล้วก็วันนี้เราวันที่ยี่สิบสองคราวนี้เป็น ข่าวคราวก่อนเป็นวันที่สิบเก้าจําไม่ผิดนะวันที่สิบเก้าธันวาทุกพฤศจิกาหนละวงพ่อก็จำไม่ชัดอาจจะเป็นพฤศจิกามากกว่าแต่ข่าวนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองมกรานะมีการประชุมหารือกันอีกรอบสองแต่คราวนี้ก็คงจะเป็นตุเป็นตะนะแต่สําหรับหลวงพ่อเองเออ คู่บาอาจารย์รุ่นพี่ก็มีหลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีท่านก็อยากจะเห็นการเจดีของหลวงตาขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดปลุกละระดมคล้ายๆว่าฮอแสดงความคิดเห็นอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่บุญมีแต่ละเดือนเนี่ยท่านจะเอาจะถูปัจจัยที่ได้จากวัดของท่านไปสมทบแต่ละเดือนอ ไปย่อนตู้ที่วัดป่าบ้านตาดรวมทั้งสมทบทั้งสถานีวิทยุด้วยทั้งพระเจดีสู่พระเจดีที่จะสร้างเกดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาด้วยเกือบจะว่าไม่เคยขาดเดือนไหนได้มากท่านก็ถวายมากเดือนไหนได้น้อยท่านก็ถวายน้อยในช่วงที่วันทอดกะถินของท่านท่านก็เอาถวายมากแ้ถาช่วงหนวัน ได้จตุปัจจัยถวายได้น้อยกว่าถวายน้อยอันนี้ท่านเป็นอาหมิตรจะบูชาบูชาองค์หลวงตาอย่างสุดๆุดส่วนปฏิบัติบูชานั้นคล้ายๆก็อยู่ในจิตในใจยกมือท่วมหัวอยู่ตลอดเวลากล่าวคําไหนก็ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเป็นพ่อแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์หลวงพ่อเปรียบ ให้ฟังว่าเราไปอยู่กับท่านไปอยู่ที่วัดของท่านท่านดูแลอาหารการบริโภคจะตุุปัจจัยปัจจัยสีขาดเรือขาดตกท่านเป็นผู้ดูแลเหมือนกับโรงเรียนกินนอนเราเป็นนักเรียนไปอยู่ในโรงเรียนกินนอนเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นท่านให้ความรู้กับเราอีก ความรู้ทั้งหลายธรรมะไม่ใช่ธรรมะแบบวิชาอาชีพธรรมะที่จะสอนให้เราพ้นทุกข์ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกต่างหาก เ, าเป็นธรรมะที่สุดซึง้งถ้าเราไม่ได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแล้วนะเราจะไปศึกษาจากใครวิชานี้เพราะนั้นเราเป็นนักเรียนกินนอนอยู่ในวัด ท่นให้ความอบอุ่นทั้งกายทั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกชื่อท่านด้วยความตายใจสนิทใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละพระกรรมฐานหรือท่านเรียกครูบาอาจารย์ของท่านอย่างองหลวงตาท่านเรียกหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราเรียกองคหลวงตาก็เหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ ไม่ว่าหลวงปู่เลเม่ว่าหลวงปู่บุญมเท่านจึงให้ความสําคัญในพระเจดีย์ที่จะบูชาเชิดชูบูชาเป็นอามิชบูชาเพื่อสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุขององค์หลวงตาแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราหลวงพ่อเองจะทํำยังไงจึงจะให้เจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ย สำเร็จรุ่งอหลวงพ่อไม่ได้ว่าเอาตรงไหนก็ได้เอาเลยสร้างเลยเออใครจะเป็นหัวหน้าใครจะเป็นผู้นําหลวงพ่อยกให้เลยเออมีแต่สนับสนุนถ้าทําทางในทางที่ถูกต้องสนับสนุนยังไงถึงจะให้สําเร็จรุ่งไปให้ดีคออนที่จะมาทําเจดีของหลวงตานตรงเป็นผู้มีศรัทธาหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเลยถ้าหาว่าผู้ไม่มีศรัทธา เอ้ยผมเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขาขอร้องให้บังคับให้ผมมามาทํามาช่วยเจดีเพราะไม่มีใครทําผมก็เลยเข้ามาทำํำถ้าคิดไดเพียงแค่นั้นอย่าเข้ามาเพราะลูกศิษย์ลูกหาลูกตาเนี่ ย, ยมากมายมหาศาลมากกว่าตาสับประรดซะอีกนะ เ, เพราะนั้นถ้าว่ามไม่มีใครทําอ่า ถ้าตัวเองไม่มีศรัทธาอย่าเข้ามาถ้าผู้มีศรัทธ า, าเสียสละผู้มีเสียสละก็เถอะแต่ว่าเข้ามาแล้วยัง พ, วพาวกภวกยังจะหาเงินมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอกีก เ, เพราะว่าไม่มีเงินทางครอบครัวขาดปกปก้องอันนั้นก็อย่าเข้ามาออกไปเลี้ยงครอบครัวซะ เ, เพราะเราวิต ก, กังวล ผู้ที่จะเข้ามาทำงานพระเจดีของหลวงตาเนี่ยถอดหัวใจหลวงพอ่อว่าถอดหัวใจออกมาวางเลยข้าพเจ้าจะทำงานเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาเป็นระยะเวลาส0สเดือนตามที่สถาปนิกที่ท่านบอกเอาไว้นะแต่หลวงพ่อบอกว่าเอาเถอะสสบเดือนหลวงพ่อเพิ่มเขาไปอีกเป็นส6เดือนก็นแล้วกัน ส2บสองสามปีเอ่อสปีที่เราทุ่มลงไปเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะในเมื่อสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อเองมั่นใจว่าที่เราทำด้วยศรัทธาของเราเนะี่ยทุ่มหัวใจลงไปเนะี่ยเราจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเหไรเพราะเราไม่มีโอกาสอีกแล้ว ที่เราจะสร้างพระเจดีย์ถวายผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน อ, อย่างองค์หลวงตาท่านหาทองคำเข้าคลังหลวงเท่าไหร่13บตันกว่าหาได้ที่ไหนดอลลาร์สิบล้านกว่าดอลลาร์อยู่ในท้องพระคลังหลวงเป็นหลักประกันของประเทศชาติและทางด้านจิตใจของท่านท่านก็ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่เกิดอีกแล้ว เรานี่คือพระหันพวกเราก็ได้ยินเต็มใจเราอากับกิริยาของท่านเราก็ยอมรับว่าอากับกิริยาขององค์หลวงตาจนโค้งสุดท้ายไม่หาที่ตำหนิไม่ได้เพราะนั้นเรายอมรับว่าองค์หลวงตาเนี่เป็นเออเป็นปูชนียบุคคลจริงๆเป็นพระมหาเทระที่น่าเคารพอ่สักกระเพราะนั้นพวกเราผู้ที่เป็น ลงไปทำคกทำงานจุดนี้นะ่เออถ้าไม่ภาคภูมิใจหลวงพ่อว่าจะว่ายังไงเออเรานึกรลรึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไปภูมิใจว่าเราในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดได้ทุ่มเทสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์เพื่อบูชาพระคุณก็องหลวงตาคือสร้างให้บูชาพระอรหรันต เกิดพบใดชาติใดบุญกุศลที่เราได้สร้างนี่แหละจะสืบเนื่องไปเป็นอนันตาการจนกว่าพวกเราจะพ้นทุกในวัะสงสารในที่สุด น, ะนี่แหละมันสืบเนื่องถึงขนาดนั้นเพราะนั้นผู้ที่ได้ลงมือสร้างนะน่าภาคภูมิใจหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อก็พูดอีกว่าพูดกับพระกรรมการรอบนอกนะหลวงพ่อว่า การสร้างพระเจดียขององค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อเห็นเป็นลายชื่อลายชื่อคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาเหมือนกับบางบัญชีหางว่าวลักษณะอย่างนั้นอะ่ะอันนี้คล้ายๆกับว่าคณะกรรมการก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หลวงพ่อบอกว่า น, นั้นก็ถูกนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ตำหนิทีเดียวแต่ตามไม่จริงในให้แต่ให้หลวงพ่อโพดเนี่ย บรรดาลูกศิษย์ของหลวงตาทั้งหลายทั้งปวงเป็นหมื่นเป็นแสนหลายแสนทั้งในและนอกประเทศคือลูกศิษย์หลวงตาอันนั้นก็คือลูกศิษย์หลวงต า, นนตงตาถ้าเราไม่มีชื่อลูกศิษย์เหล่านั้นไม่มีชื่อเป็นยังไงแต่ลูกศิษย์ที่มีชื่อเป็นผู้มาทำงานเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสาหรับมีรายชื่อว่าได้ร่วม การสร้างเจดีลงตาต่ถ้าว่าคนที่ไม่มีชื่อล่ะจะมีความรู้สึกอย่างไรในจุดนั้นอันนี้ก็ไม่ควรจะเสียความรู้สึกนะไอ้ผู้ที่ออกเงินถ้าจะว่าออกเงินออกทางด้านวัตถุไอ้คนที่ออกเงินอาจจะมากกว่าคนที่มีชื่อก็ได้คนที่ไม่มีชื่อน่ะอาจจะออกจะตัง ออกเงินสร้างพระดีของหลวงตานี่มากกว่าก็ได้เพราะนั้นเราจะไปถือว่าใครคือสาคัญไม่สาคัญแต่หลวงพ่อคิดว่าในความรู้สึกของหลวงพ่อนะบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายขององค์หลวงตาเนี่ยเหมือนกับคนภายในประเทศเคือคนในประเทศไทยพูดง่ายๆลูกศิษย์หลวงตาเน่ยสมมตินะสมมติเหมือนกับคนในประเทศไทย แล้วก็เราก็จัดทีมฟุตบอลขึ้นมาทีมหนึ่งทีมหนึ่งก็เหมือนที่เราไปเตะมาเลเซียเอเตะฟุตบอลที่ประเทศมาเลเซียจบมาปนมาดคือนาจิกโกนะ้เป็นหัวหน้าทีมเป็นกุญสือและเป็นผู้นําเอาลุกทีมเข้าไปเมื่อไปเตะเข้ามาพอเตะเข้ามาชนะเขานะ พอชนะเขาขึ้นมาทั้งประเทศไทยกนหน้าบานบอกว่าเนี่ยฟุตบอลของเราไม่แพ้ใครชนะเขาได้คนทั้งประเทศกอดีอกดีใจพร้อมหน้ากันเพราะอะไรเพราะว่านักฟุตบอลของเราไปชนะมาชนะแบบ ส, สวยงดงามอีกต่างหากให้รางวัลอีกต่างหาก นี้ก็เหมือนกันน่ลูกศิษย์บรรดาลูกศิษย์ขององค์หลวงตาทั้งหลายเหมือนกับคนในประเทศเราพวกเราจะยกไข่ให้ทำงานในจุดนี้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใค่เป็นผู้รักษาโกใครใครเป็นแบ็คใครเป็นปีกซ้ายขวาใคร เป็นกองหน้าเป็นกองบกแต่พวกเราท่านทั้งหลายสิทธญานุศิทธิ์ขององค์หลวงตาเนี่ยเมื่อกั น, นั่งอยุ่รอบข้างสนามตกมือเสียเหมือนกันเถอะผู้ที่ลงทำงานผู้ที่ลงทำงานทาด้วยความตั้งอกตั้งใจทำด้วยศรัทธาหาผู้มีศรัทธาสมัครใจในการทำงานแล้วก็เนี่ยกโก้เนี่ยก็ต้องดู ก็มีคณะกรรมการอยู่เบื้องบนที่มองอีกถ้าหากว่านักฟุตบอลคนใดแต่แล้วไม่สมสศักดิ์ศรีเล่นเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงหรือมีเล่ห์ไหนเราก็บอกคณะกรรมการส่วนบนอา้าวจิกโกดูใช่คนนั้นให้บัตรเหลืองเตือนพอให้บัตรเหลืองแล้ว ย, ยังไม่ปรับตัวอา้าวส่งบัตรแดงเข้าไป เอาออกพอลูกศิษย์ลูกหาลวงตานี่มีมากเป็นชั้นแสนคนเอาใครเข้าไปใครสมัครเข้าไปในจุดนี้อีกหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าคนที่จะเข้าสมัครเข้าไปจุดนี้นะ่ยไม่ใช่น้อยทั้งพิศวะทั้งสถาปนิกทั้งการเงินอะไรก็ตามหนะลวงพ่อมั่นใจเพราะฉะนั้นเรื่องการทํางานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาสรุปแล้วก็คือประกาศหาผู้มีศรัทธา อ, อถอดหัวใจออกมาเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขอางลงตาให้สําเร็จรุ่วงพวกเราที่อยู่กองรอบสนาม อ, อพวกเราจะเชียร์และตกมือให้อย่างสุดหัวใจเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้วันหนึ่งที่หลวงพ่อจะเข้าไปก็จะนี่ะกระตุ้นเตือนให้พวกศรัทธาญาติโยมหรือน้องๆทั้งหลายให้ช่วยกันเ อ, อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขวางลวงตาด้วยความ หมที่สุดใหญ่ด้วยความเต็มใจบุญกุศลของเราเมื่อเสร็จแล้วจะติดพบติดชาติไปนานเท่านานจนหาประมาณไม่ได้จนพ้นทุกในวัฏฏะสงสารนั่นแหละหลวงพ่อพูดถึงกรนาดนั้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราที่นั่งฟังในวันนี้ที่ศาลาหลวงพ่อเนี่ยเป็นกองเชียร์อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะพอหลวงพ่อพาเชียร์นี่ใช่ไหม ไม่เสียได้ยังไงหลวงตาเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นผู้นำเป็นวีรบุรุษผู้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารท่านประกาศเต็มปากเต็มใจของท่านชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะพวกเราในฐานะสิทยิอนุสิ์ก็น่าภาคภูมิใจที่หลวงตาของเราทำคุณอุปการให้กับประเทศกับโลก ธรรมเทศนาของท่านเท่าไรที่พวกเราออกเอามาเผยแผ่ออกมาพิมพ์ไม่จบไม่สิน้นเป็นธรรมเทศนาเป็นสอนคนไปในทางดีทางนั้นไม่ไปอย่างอื่นนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกเราคณะสัายาติโยมลูกหลานลต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะานุโมทนาให้พร